สาทีา่ป่ามหาวันกรุงเวสาลีลิขิตชวีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ในกรุงราชคฤิสตามที่ทรงพอพระหารฤทัยแล้วก็ได้เสด็จจากกรุงราชคฤิสไปยังกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่กูดาคารสาลาในป่ามหาวันกรุงเวสาลีเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชีซึ่งเป็นรัฐอิสระวัษหนึ่งเวลานั้น มีความเจริญรุ่งเรืองบ้านเมืองสวยงามท่านเล่าประวัติของราชตระกูลที่ปกครองวัดชีอันเรียกว่าฤก จ, จ์ชวีไว้ดังนี้ในอดีตพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาลนสีแห่งแคว้นกาสีได้ทรงคันและประสูดออกมาเป็นชิ้นเนื้อที่มีสีแดงก็ทรงละอายพระหฤทัยรับสั่งให้นำใส่เข้าไปในภาชนะแล้วตีตราบอกว่าเป็นประชา คือเป็นผู้ที่เกิดมาของพระอ克รมเหสีของพระเจ้ากรุงพราราณสีปิดเรียบร้อยดีแล้วก็ลอยน้ําทิ้งไปภาชนะนั้นก็ลอยออกแม่น้ําคงคาลอยไปจนถึงตำบลหนึ่งได้มีดาบทผู้หนึ่งอา ศ, าศาัสกุลของคนเลี้ยงโค ท, ที่เรียกว่าโคบาลได้ลงไปอาบน้ําได้พบภาชนะนั้นลอยมาก็เก็บเอาขึ้นไปเมื่อเปิดดูก็พบชิ้นเนื้อซึ่งเป็นของที่ยังไม่เน่า สงสัยว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ก็เอาเก็บไว้ต่อมาชิ้นเนื้อนั้นก็แตกออกเป็นสองชิ้นและต่อมาก็เป็นเด็กขึ้นสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งเด็กทั้งสองนี้เมื่อบริโภคอาหารลงไปก็มองเห็นจากภายนอกเพราะมีผิวหนังเหมือนสิ่งโปร่งแสงเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าลิจฉวีที่แปลว่าไม่มีฉวีไม่มีผิวหนังอีกในหนึ่งว่า มีผิวหนังเหี่ยวย่นอย่างเป็นรอยเย็บ ด, ด้วยเข็มจึงเรียกว่าปรีนัทชวีที่แปลว่ามีผิวหนังเหี่ยวย่นรีบพิ้ศไปก็เป็นฤิธ จ, จัฉวีดาบทก็เลี่ยงเด็กทั้งสองนั้นไว้แต่ก็ต้องเป็นกังวลเข้าไปบินทบาทในบ้านก็จนตะวันโดผู้โคบาลได้ทราบก็มาขอเอาไปดาบทนั้นก็ให้ไปและได้สั่งว่าให้เลี้ยงดูให้จงดี เมื่อเติบโตขึ้นก็จงอภิเสกให้เป็นคู่ครองกันและจงสร้างบ้านสร้างเมืองให้คร่บานเหล่านั้นก็เลี้ยงเด็กทั้งสองนั้นไวและก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ดาบทสั่งไว้ก็เป็นวงรัชชวีขึ้นคู่แรกนี้เมื่ออภิเศกกันแล้วก็มีโอรสมีธิดาและก็อภิเศกในวงเดียวกันขยายออกไปจนถึงต้องขยายบ้านเมืองออกไปหลายครั้งเพราะฉะนั้นเมืองนั้นจึงเรียกว่า เมืองเวสาลีที่แปลว่าเมืองที่ขยายออกไปและแหวนนั้นเรียกว่าแหวนวัชชีคือประเทศวัชชีแปลว่าเป็นถิ่นที่พึงเว้นอาจจะหมายว่าเป็นถิ่นที่มีกำลังเข้มแข็งผู้ที่จะมุ่งจะรุกรานควรจะเว้นก็ได้แต่ท่านเล่าความหมายไว้อีกอย่างหนึ่งเมื่อกษัตริย์ผู้เป็นต้นวงศ์ลิศชาวฉวียังเป็นเด็กอยู่ได้เล่นรังแกเด็กที่เป็นลูกของผู้โคบาล ที่เป็นลูกของพวกโกบาลก็มาฟ้องบิดามารดาว่าถูกเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่มาเล่นรังแกบิดามารดาก็ไม่พอใจสั่งให้ลูกงดเว้นไม่ให้คบหากับเด็กทั้งสองนั้นแต่ชื่อนี้ถ้าหมายความว่าเป็นแหวนที่พึงละเว้นเพราะเหตุที่มีกําลังมากก็เห็นจ ะ, ะเหมาะเสด็จกรุงกบิลพั์กําเนิดพิสุณีพระพุทธเจ้าได้สเสด็จประทับที่กูตาค า, ารสาลา อันแปลว่าซาลาที่เป็นเรือนยอดในป่ามหาวันในขณะที่ประทับอยู่ในที่นั้นก็ได้ทรงทราบข่าวประชวนของพระพุทธบิดาตามเรื่องได้ล่าว่าเมื่อพระโอรสพระนักดาได้เสด็จออกทรงผนวดหมดก็ได้ทรงระลึกถึงอยู่เสมอเมื่อประชวนลงก็ปรารถนาจะได้เห็นพระราชโอรสและพระราชนักดาโดยเฉพาะก็คือพระพุทธเจ้าพระนันทะและพระอานน์เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบข่าวประชวน ก็ได้รีบเสด็จไปยังกรุงกบิลพัทและได้เข้าเฝ้าพระพุทธบิดาได้ทรงสแสดงธรรมอบรมอยู่เป็นเวลาหลายวันจนพระพุทธบิดาเสด็จนิพพานคือท่านว่าพระพุทธบิดานั้นได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าอบรมจนได้สําเร็จเป็นพระ อ, อรหันต์และก็ได้ทูลลาพระพุทธเจ้าเข้านิพพานโดยมิทันจะได้อุปสมบทพระพุทธเจ้าก็จะถวายพระเพลิงพระศพของพร ะ, ระพุทธบิดาเสร็จแล้ว พระนามาหาประชาบดีโกตมีพระมาตุฉาคือพระนานางเมื่อพระเจ้าสุโธธนะพระราชสวามีสิ้นพระชนแล้วก็สมุติภาระจึงได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นิโคทารามในกรุงกบิลพัดอันเป็นที่ประทับและได้ทูลขอให้มาตุคามคือสตรีได้ปวดเป็นอนาคาริยะในพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธเจ้าได้ตรัสปฏิเสธว่า อย่าให้มาตุคามยินดีเพื่อจะบวชในพระธรรมวินัยพระนางมหาปชาวดีโพตมีก็ได้ทูลอ้อนวอนถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงปฏิเสธทั้งสาครั้งพระนางก็ทรงกันแสงสีพระไทยเสด็จกลับเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่นิโคทารามในกรุงกบิลพัทตามพระพุทธอัธยาศัยแล้วก็ได้เสด็จกลับจากกรุงกบิลพัทไปประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาปามหาวัน ใกล้กรุงเวสาลีพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้ทรงชักชวนเจ้าหญิงสากิยานีเป็นอันมากปร่งพระเกศาทรงผ้ากายาสะคือผ้าย้อมน้ําฝาดแล้วก็เสด็จดําเนินด้วยพระบาททั้งหมดไปยังกรุงเวสาลีและต่างก็มีพระบาทแตกและมีพระกายที่เหน็ดเหนื่อยลําบากพากันไปยืนกันแสงอยู่ที่สมประตูที่ประทับท่านพระอาหนนได้เห็นพระนางมหาประชาบดีโคตมี และหมู่เจ้าหญิงสากิยานีเป็นอันมากมายืนการแสงอยู่อย่างนั้นก็ได้เข้าไปถามพระนางก็ได้รับสั่งบอกแก่พระอานน์พระอานน์ก็ให้ประทับรอยอยู่ที่นั่นก่อนและก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ทูลขอให้มาตุกคามได้บวชในพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสปฏิเสธแก่พระอานนท์พระอานน์ก็ได้ทูลขอถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสปฏิเสธถึงสามครั้ง พระอานนุนจึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าว่ามาตุคามคือสตรีเมื่อบวชในพระธรรมวินัยนี้แล้วจะเป็นผู้สมควรที่จะกระทําให้แจ้งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเป็นผู้สมควรที่จะกระทําให้แจ้งได้พระอาห น, นุ์จึงได้กราบทูลว่าถ้ามาตุคามคือสตรีเป็นผู้ที่สมควรอย่างนั้น และพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้เป็นผู้มีอุปการะมากแด่พระพุทธเจ้ามาในเบื้องต้นพระทรงเป็นผู้เลี้ยงดูธนุถนอมพระองค์สืบต่อจากพระพุทธมารดาซึ่งได้สิ้นพระชนไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้พระนางได้บวชในพระธรรมวินัยตามที่ทรงตั้งพระหารไทยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมีจะรับครูธรรมคือธรรมที่หนัก8ข้อได้ก็ให้อุปสมบทได้ ขรุธรมแข้อนั้นคือ 1. นภิกษุณีที่อุปสมบทมาตั้งร้อยพรรษาก็พึงทําการกราบไหว้การลุกรับการกระทําอัญชลีการทําสามีจิ ก, กรรมแก่ภิกษุที่อุปสมบทใหม่แม้ในวันนั้น 2. อภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ 3. าภิกษุณีพึงหวังทำสองประการจากภิกษุสงฆ์ทุกเก่งเดือนคือการถามวันอุโบสถและการเข้าไปฟังโอวาท 4. พิสุจนีออกพรรษาแล้วพึงประณาในสงสองฝ่ายคือในพิสษุสงสงและในพิสุนีสงห้าพิสษุนีเมื่อต้องคุรุธรรมคือต้องอาบัตหนักก็พึงประพฤตมานัดปักหนึ่งในสงทั้งสองฝ่าย 6. สตรีที่ศึกษาอยู่ในธรรมหข้อเป็นเวลาสองปีกล่าวคือรักษาศีลสิทธิของสามเณร น, นั่นแหละแต่ว่าตั้งแต่ข้อ1งถึงข้อ 6, โดยไม่ขาดตลอดเวลาสองปี อันเรียกว่านางสิกขมานาเมื่อได้ศึกษาแล้วดังนี้จึงอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายได้ 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงปริาพาทภิกษุโดยปริยายอะไรๆทั้งนั้นและ 8. ภิกษุทั้งหลายสั่งสอนห้ามปราบภิกษุณีทั้งหลายได้แต่ว่าภิกษุณีทั้งหลายจะสั่งสอนห้ามปราภิกษุทั้งหลายไม่ได้ถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมี ยินดีรับครุธรรมทั้ง8ประการนี้จึงให้อุปสมบทได้ท่านพระอาอนนท์ก็เรียนครุธรรมทั้ง8ประการนั้นก็ได้ไปทูลให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีทราบ พ, พระนางก็ยินดีรับครุธรรมทั้ง8ประการนั้นได้ตรัสว่าทรงมีความยินดีรับเหมือนอย่างสตรีหรือบุรุษที่เป็นบุคคลรุ่นหนุ่มรุ่นสาวยินดีรับพวงดอกไม้เครื่องประดับและการรับครุธรรมทั้งแดประการนั้น เป็นการอุปสมบทของพระนางมหาประชาบดีโคตมีท่านพระอานนท์ก็ได้กลับเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลให้สงทราบว่าพระนางได้รับการุธรรมทั้ง8ดได้อุปสมบทแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้ามาตุคามคือสตรีไม่พึงบวชในพระธรรมวินัยนี้พระมจริย์คือพระศาสนาก็จะตั้งอยู่ตลอดกาลนานสัตรธรรมก็จะพึงตั้งอยู่ตลอดพันปีแต่เพราะ มาตุคามบทถในพระธรรมวินัยนี้พระโมจันก็ไม่ตั้งอยู่ตลอดกาลนานสศธรรมจะตั้งอยู่ตลอด500ปีเท่านั้นเหมือนอย่างตระกูลที่มีสตรีมากมีบุรุษน้อยก็จะถูกทําลายได้ง่ายเหมือนอย่างโรคของต้นข้าวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเพรียเมื่อลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์นาข้าวสาลีนั้นก็จะไม่ตั้งอยู่ได้นานหรือเหมือนอย่างโรคที่เกิดขึ้นแก่ต้นอ้อยที่จะทําให้ต้นอ้อยเกิดสีแดงขึ้น ก็จะทําให้ไร่อ้อยตั้งอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าใน้ทรงบัญญัติคุธรรมแปลประการแก่ภิกษุณีทั้งหลายให้ภิกษุณีทั้งหลายรับรักษาไว้ไม่กล้าล่วงตลอดชีวิตเหมือนอย่างได้ทรงทำทำนบกั้นบ่อที่ใหญ่ไว้ทุกด้านเพื่อไม่ให้น้ําไหลออกและเพื่อป้องกันน้ําข้างนอกจะไหลเข้ามามากเกินไปด้วยหลักฐานในพระบาลีภิกขุนีคันธกะตอนนี้มีแห่งเดียวที่พยากรณ์เรื่องศาสนาว่าถ้ามาตุคามไม่เข้ามาบวช พระมรรจันทร์ก็จัดตั้งอยู่นานท่านว่าพันปีแต่ว่าถ้าเข้ามาบวชก็จะเหลือเพียงห้าร้อยปีนี่เป็นหลักฐานชั้นบาลีในพระไตรปิฎกของเราแต่ว่าในชั้นอัตถกถาท่านได้มาแก้ไว้ว่าพระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมพิทาสีจะมีอยู่ในระยะหนึ่งพันปีแรกพระอรหันต์ที่เป็นสุขวิปัสสกะคือว่าที่ได้สําเร็จตัดกิเลสได้แต่ว่าไม่ได้ปฏิสัมพิทาสีไม่มีความแตกฉาน หรือสุก ข, ขะวิปสัสสะแปลว่าเห็นแจ้งอย่างแห้งแรงคือหมายความว่าไม่ได้ความแตกฉานแต่ก็ทำกิเลสให้สิ้นไปนี่จะมีอยู่ในระยะพันปีที่สองพระอนาคามีจะมีอยู่ในระยะพันปีที่สามพระสกทาคามีจะมีอยู่ในระยะพันปีที่สี่พระโสดาบันจะมีอยู่ในระยะพันปีที่ห้าปฏิเวศสัตธรรมสัตธรรมคือมรร นิพพานจะตั้งอยู่5 0 0พันปีประยะสัจธรรมคือการเรียนให้รู้พระพุทธศาสนาก็จะตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าเพศคือการทรงเครื่องหมายเป็นบรรพชิตในรูปแต่รูปหนึ่งนั้นจะมีสืบไปอีกนานอีกแห่งหนึ่งและแสดงอันตรธานคือความเสื่อมสิ้นแห่งพระศาสนาไว้หได้แก่ 1. อธิคมอันตรธานความเสื่อมสิ้นแห่งมรรคผลนิพพาน 2. ปฏิปติ อันตรธานความเสื่อมสิ้นแห่งการปฏิบัติความเสื่อมสิ้นแห่งมรรคผลนิพพานนั้นหมายความว่าเมื่อไม่มีพระ อ, อรหันต์เรื่อยมาจนถึงไม่มีพระโสดาบันเมื่อใดเมื่อนั้นก็ชื่อว่าเป็นความเสื่อมสิ้นแห่งอธิคมคือมรรคผลนิพพานความเสื่อมสิ้นแห่งการปฏิบัตินั้นในเบื้องต้นก็เสื่อมสิ้นการปฏิบัติเพื่อฌานวิ ป, ปัสสนา drafted. มรรคผลก่อนคือว่าบุคคลผู้ปฏิบัติไ่ได้มุ่งฌาน ไม่ได้มุ่งวิปัสนาไม่ได้มุ่งผลเมื่อการปฏิบัติในด้านนี้เสื่อมลงไปแล้วก็เหลือแต่การปฏิบัติพระวินยัยในการปฏิบัติพระวินัยนั้นข้อเล็กๆ ก, ก็เสื่อมไปก่อนคือไม่ใส่ใจในข้อปฏิบัติพระวินยัยที่เป็นส่วนเล็กน้อยก็ขาดวิ่นเรื่อยไปจนเหลือแต่ปราทิกสแปลว่ารักษาศีลสี่คือรักษาการเ้นปราชิกสี่ข้อไว้จนเมื่อรักษาสิกขาบททั้งสี่ข้อนี้ไว้เมือ่อใด ด้วยกันทั้งหมดเมื่อนั้นก็เป็นอันว่าถึงความเสื่อมสิ้นของการปฏิบัติ 3. ปริยัตอันตรธานความเสื่อมสิ้นของปริยัตคือการเรียนพระศาสนาเมื่อยังมีการเรียนพระศาสนายังมีการทรงจําอยู่มากบ้างน้อยบ้างก็ยังไม่เสื่อมสิ้นจนเมื่อใดไม่มีใครทรงจําพระพุทธศาสนาไว้ได้ก็เรียกว่าเป็นปริยัตอันตรธาน 4. ีลิงคะอันตรธาน ความเสื่อมสิ้นแห่งเพศคือเมื่อยังทรงเพศอยู่เพศก็ยังไม่เสื่อมสิ้นเมื่อใดเปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือเครื่องหมายที่เป็นเพศบรรมัชิตไว้เลยเมื่อนั้นก็ชื่อว่าเป็นลิงคอันตรธาน 5. ้าธาตุอันตรธานความเสื่อมสิ้นแห่งธาตุหมายความว่าความเสื่อมสิ้นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งท่านพยากรณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าโอกาสหนึ่งพระบรมสารีริกธาตุก็จะเสื่อมสิ้นไป นี่เป็นเขาของเรื่องศาสนาอันตรธานความเสื่อมทิินแห่งพระศาสนาที่มีแต่งกันเป็นหลักฐานในลังกาแต่ในชั้นบาลีก็มีพบเท่าที่อ้างมาข้างต้นซึ่งท่านอธิบายว่าที่ตรัสว่าพรหมจรรย์หรือว่าสัทธรรมจะตั้งอยู่พันปีนั้นก็หมายถึงว่าจะมีพระอาหารหันต์ที่เป็นผู้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาคือความแตกฐานในปฏิสัมพิทาอยู่ตลอดพันปีส่วนห้าร้ยปีนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติคารุธรรมปกป้องกันไว้จึงไม่เป็นไปดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทานคารุธรรมเป็นการประทานอุปสมบทแก่พระนามหาประชาวีโคตมีแล้ว<ม>ก็ได้โปรโดให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทเจ้าหญิงสากิยานีที่ตามเสด็จมานั้นให้เป็นภิกษุณีด้วยกันสิน้นแต่ก็ต้องรับปฏิบัติในคารุธรรมทั้ง8ประกาศนั้นด้วยต่อมามีครั้งหนึ่ง พระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ขอให้ท่านพระอาหนนทูลขอพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งคือขอให้ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายกราบไหว้กันตามความอ่อนแก่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยินยอมอํานวยตามและในคราวหนึ่งพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ทรงขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อซึ่งเมื่อได้ทรงสดับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้หลีกออกปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจเป็นไปเพื่อความประกอบอยู่กับทุกข์เป็นไปเพื่อความสั่งสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษอินดีด้วยของที่มีอยู่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากก็พึงส่งไว้ว่านั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินัยนั่นไม่ใช่สัตวุศาสตร์คือคาสอนของพระศาสดา ส่วนธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสิ้นกำหนัดย้อมใจเป็นไปเพื่อความไม่ประกอบอยู่กับทุกข์เป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่เป็นไปเพื่อความหลีกออกจากสงบงดเป็นไปเพื่อความปารบความเพียรเป็นไปเพื่อความเลียงง่ายก็ขอให้พึงทรงไว้ว่านี am, ่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยนี่เป็นสัตว์าสตร์ ธรรมะที่ตรัสแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีนี้ในนวโกวาทได้นำมาไว้ในหมวด8และได้เรียกว่าลักษณะตดศินพระธรรมวินัยแดอย่างในภรรษาที่ห้าพระพุทธเจ้าก็ได้ประทับจำพรรษาอยู่ที่กูตาคารสาลาในป่ามหาวันใกล้กรุงเวลสาลีนั้นตามที่แสดงไว้แล้วว่าในภรรษาที่ห้านั้นพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลีแห่งแคว้นวัชีมหาวันแปลว่าป่าใหญ่อยู่ใกล้เมืองเวสาลีที่มีการสร้างเรือนชั้นที่เรียกว่าปราสาทซึ่งทําเป็นแบบเรือนยอดมีช่อฟ้าแต่ว่าเรียกชื่อว่ากูตาคารสาลากูตาแปลว่ายอดอาคารแปลว่าเรือนสาลาก็แปลว่าโรงรวมกันว่าโรวมเรือนยอดสร้างไว้ในป่ามหาวันนั้นและเป็นสังฆารามสําหรับพระพิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เมื่อพูดว่าอุตาคารสาลาก็หมายถึงว่าเป็นชื่อของอารามในที่นั้นท่านแสดงว่าตัวสาลาหลังนี้ได้สร้างยาไปตามทิศเหนือมาใต้หันหน้าไปทางทิตะวันออกในระหว่างที่ประทับอยู่ที่นี้ได้เสด็จไปกรุงกบิลพัทโปรดพระพุทธบิดาดังที่เล่าแล้วการเสด็จครั้งนี้พระอาจารย์กล่าวว่าเสด็จไปทางอากาศน่าจะเข้าใจว่าเสด็จโดยรีบ ด, ด่วนพระพุทธบิดาประชวรมาก เมื่อพระพุทธบิดาสิ้นพระชนแล้วมหานามาสการซึ่งเป็นพระเทศฐาของพระอนุรัเถระก็ได้ปกครองศักย่วงสืบต่อมาในปฐมสมโพธฉบับกรมพระปรมานุชิตชิโนรสและอัตกถาได้เล่าว่าพระนางยโสธราพิมพาได้ทรงปารถถึงการเสด็จออกทรงพนวดของพระพุทธเจ้ากับพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสและเมื่อสิ้นพระพุทธบิดาแล้วจึงได้ทรงคิดจะออกพนวดเป็นพิกษุณี ได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีซึ่งเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับและก็ทรงขอพนบทเป็นภิกษุณีในระยะนี้ก็ยังไม่ถึงวาระที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่กรุงสาวัตถีเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นดังนั้นก็คงจะเป็นที่เสด็จผ่านคือว่าจะริษผ่านไปและประทับที่พระเทตวันก่อนเข้าภรรษาแล้วจึงเสด็จต่อไปอยังกรุงเวสาลีประทับณป่ามหาวันนั้นฤชวิ อาปริหานิยธรรมหา้าในระหว่างที่ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันนั้นจะเป็นในครั้งนี้หรือในครั้งต่อมาไม่ปรากฏได้มีฤิ์ชวีกูมารคือเจ้าชายหนุม่มราชตระกูลฤทธชวีจํานวนห้าร้อยได้ออกมาล่าสัตว์ในป่ามหาวันพร้อมกับพวกสุนัขสําหรับล่าสัตว์เป็นจํานวนมากครั้นมาพบพระพุทธเจา้าก็ได้พากันวางอาวุธและได้ต้อนสุนัขให้หลบไปในที่อื่นแล้วก็พากันพระคลองอัญเชลี ฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยอาการอันสงบในครั้งนั้นเจ้าวิชวีองค์หนึ่งมีพระนามว่ามหานามะทรงดำเนินเล่นมาทางนั้นเมื่อได้มาเห็นวิชวีกุมารเหล่านั้นเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยอาการอันสงบจึงได้กราอุทานขึ้นว่าวัชชีจักมีวัชชีจักมีหมายความว่าประเทศวัชชีจกักเจริญประเทศวัชชีจกักเจริญพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าที่กราอุทานขึ้นดังนั้น หมายความว่าอย่างไรเจ้าริชวีมหานามะกราบทูลว่าริชวีกูมานหนุ่มๆเหล่านี้เป็นผู้ดุร้ายหยาบคายชอบอยู่แย่งอ้อยพุทธาขนมหรือสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นของขวัญสำหรับส่งไปยังตระกูลนั้นๆบางตีก็ชอบรังแกสตรีมีอาการขนองดุร้ายต่างๆแต่ว่าบาัดนี้มาประคองอัญชลีสงบเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเรียบร้อยฉะนั้นก็เป็นอันหวังว่า ประเทศวัดชีจักเจริญพระพุทธเจ้าตรัสว่ากุลบุตรผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นขัติยาราชผู้ที่ได้รับมรุธาพิเศษแล้วก็ดีเป็นผู้ปกครองรัฐก็ดีเป็นผู้สืบทายาทของบิดาก็ดีเป็นเสนาบดีก็ดีเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านทั้งหลายก็ดีเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะก็ดีซึ่งได้เป็นผู้ปกครองเป็นใหญ่ในตระกูลนั้นๆถ้าประกอบด้วยธรรมะห้าประการเหล่านี้ก็จักหวังความเจริญ ไม่ต้องหวังความเสื่อมคือข้อหนึ่งสักการะเคารพนับถือบูชามารดาบิดาด้วยพวกกระซับ ท, ที่สแสวงหามาได้โดยธรรมมารดาบิดาผู้ได้รับความสักการะเคารพนับถือบูชาเขายอมอนุเคราะห์ด้วยใจอัน ง, งามเพื่อให้เจ้าดำรงชีวิตอยู่รักษาชีวิตอยู่ตลอดเวลานานข้อสองสักการะเคารพนับถือบูชาบุตรภันยาทาตกรรมกร และบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วยทรัพย์ที่สแสวงหามาได้โดยธรรมชนเหล่านั้นได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามคือคิดตั้งใจให้เจริญอายุเหมือนอย่างนั้นข้อสาสักการะเคารพนับถือบูชาบุคคลผู้เป็นเจ้าของนาใกล้เคียงกันประกอบการงานในเขตนาที่ใกล้เคียงกันและเจ้าหน้าที่รังวัดที่นาทั้งหลาย บุคคลเหล่านั้นได้รับการสักการะคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเหมือนอย่างนั้นข้อสีสักการะคารพนับถือบูชาเทพยดาผู้รับพรีด้วยพวกทรัพย์ที่แสวงหามาโดยธรรมเ ท, ทยพยดาผู้รับพรีได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเหมือนอย่างนั้นข้อหสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์ด้วยทรัพย์ที่แสวงหามาได้โดยธรรม สมณพราหมณ์ได้รับสักก า, าระเคารพนับถือบูชาเขาย่อมอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเหมือนอย่างนั้นกุลบุตรใดๆเมื่อมีธรรมห้าประการนี้ครอบครองความเป็นใหญ่ในตระกูลนั้นๆใ น, น, นที่นั้นๆก็ย่อมหวังความเจริญได้ไม่ต้องหวังความเสื่อมในพระพุทธภาษิตนี้ใช้ศัพท์ว่าสักก า, าระเคารพนับถือบูชาเหมือนกันหมดทั้งห้าจำพวกกล่าวโดยส่วนรวมก็คือให้มีความนับถือตามฐานะ ไม่ดูหมินและทำความเกื้อกูลบุคคลทั้งห้าจำพวกนี้ตามภานนะจำพวกที่หนึ่งก็ได้แก่มารดาบิดาจำพวกที่สองก็ได้แก่บุตรภรยาทาศกรรมกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้ก็แสดงว่าไม่ดูหมินเหยียดยามแต่ว่าให้นับถือตลอดถึงทาศกรรมกรด้วยบุคคลจำพวกที่สามก็คือผู้ที่ประกอบการงานในที่ใกล้เคียงกัน ในที่นี้แสดงแต่บุคคลที่ประกอบกสิกรรมจรึงได้ยกเอาเจ้าของนาที่ใกล้กันกับเจ้าหน้าที่รังวัดก็หมายความโดยทั่ ว, วไปว่ามีการนับถือตลอดถึงบุคคลผู้อยู่ใกล้เคียงกันผู้ประกอบการงานร่วมกันและเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ตนจะต้องเกี่ยวข้องจำพวกที่สีก็คือพวกเทวดาที่รับพรีอันนี้ก็หมายถึงเทวดาที่นับถือกันมาตามตระกูลก็เป็นว่า พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุวัติให้มีการปฏิบัติต่อเทพบรดาตามที่เขานับถือกันด้วยไม่ใช่ค้านไปเสียทีเดียวพวกที่ห้าก็คือสมณพราหมณ์โปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป